นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมบูทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมบุทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมบูชัสสะ คาลาวะจะนิวาโตจะสันตุิปะละมังธนันติ <c oughs> อ่ะต่อไปให้พากันเข้าที่เข้าที่คือฟังฟังธรรม ฟังลูก ป, ประธรรมแนะนา ม, มาทำธรรมะเป็นสิ่งที่ประกาศความจริงอยู่ในตัวของเราทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเวลาฟังธรรมะจะต้องอาศัยความสงบเป็นหลัก ความสงบที่ใกล้ตัวของเราสงบกายสงบวาจาและสงบใจเปิดใจของเราคือตั้งสติปิดตาและเปิดใจเปิดใจตั้งสติให้สังเกตดูสิ่งที่มาแสดงในจิตของเราคืออารมณ์ สติเป็นตาที่สามารถที่จะะลึกรู้าอารมณ์อะไรเกิดขึ้นอิทธาลมอนิธาลมอืมอารมณ์ที่ชอบใจหรืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจหรืออารมณ์ที่รู้อยู่นิ่งอยู่แล้วก็เฉยอยู่อารมณ์ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเองตั้งอยู่เองแล้วก็ดับไปเองสติ กับจิตขั้งรอก็รับรู้แล้วก็เฉยไปธรรมะทั้งหลายเนี่ยเป็นของธรรมชาตเออิเป็นธรรมชาติที่ตั้งเกิดขึ้นเดงนตั้งอยู่เองแล้วก็ดับไปเองไม่ว่าจะเป็นรูปรธรรมหรือจะเป็นนามธรรมรูปรธรรมเราสามารถมองเห็นดงังตานามธรรมนั่นจะมองเห็นดังใจ ลูกปรรมก็คืออัตภาพร่างกายของเราขาสองแขนสองศีษะหนึ่งเรียกว่ากายรวมกันการเกิดมาเป็นมนุษย์พราะพระพุทธศาสนานั้นหรือว่าพวกเราชาวพุทธเป็นผู้มีโชคลาภมันดีมากมีโอกาสได้ <c oughs> ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมเข้าใจธรร ม, มเรามีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมรู้จักธรรมแล้วธรรมก็จะรักษาเราให้อยู่เย็นเป็นสุขก่อนที่ธรรมจะรักษาเรานั้นนะ เราจะต้องเป็นผู้มีความเคารพอย่างที่บาลีได้ยกขึ้นเบื้องต้นคารา ว, วจะอยากเราทำพิธีทุกอย่างในทางพุทธศาสนาต้องประกอบด้วยความเคารพเคารพทางกายเรามีการกราบไหว้มาพูดพระธรรมพระสงฆ์และกราบไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางวจาเราก็กล่าว ก็ ล, ลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทางใจเราก็น้อมระลึกนอบน้อมอ่อนน้อมอ่อนน้อมถมตนคารวะจะคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนย่อมเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเราอย่าสังเกต จัดท่านท่านผู้มีครอบครัวที่มีลูกมีหลานที่เป็นอาจารย์แต่มีลูกน้องเนี้ยเราสังเกตได้ผู้คนที่มีสัมมาคารวะคนคนที่มีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นอา่อาจเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายอาขอารกคุณพ่ อ, อคุณแม่ ถ้าเป็นศิษย์ก็เคารพครูอาจารย์และเป็นบริวารเพื่อนฝูงก็เคารพความเห็นถูกต้องซึ่งกันและกันเอผู้ว่าง่ายนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความเข้มแข็งของใจนิวาตัวจา่าในความจริงขอมก็ไม่มีความแข็งกระด้างรือด้านถูดั น, ดนในสิ่งที่ ถูกต้องแล้วก็ยังดันทุลังมีทิฏฐิมีมานะนิวาโตจะเป็นความไม่จองของทูกไม่จองของก็มาจากความเคารพมาเละเป็นหลักอความอ่อนน้อมแม้แต่ต้นไม้ต้นไม้ที่มันงามอาศัยลำต้นและอาศัยปุ๋ยอาศัยน้ํา เวลาออกดอกออกผลแล้วมันน้อมจริงก็อ่อนน้อมลงมาลูกกระดกอันนี้ผู้ปฏิบัติทรรมถ้าประกอบพระด้วยความกรลบและไม่มีทิฏฐิไม่มีมานะฟังธรรมะย่อมเข้าใจถึงใจไม่สงสัยธรรมะทุก ประโยคนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแม่นยําไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องกุศลธรรมทำที่ ฝ, ฝ่ายฉลาดของจิจกุศลธรรมทำฝ่ายไม่ฉลาดของกิตอพยากระดาษธรรมที่เป็นทางกลางอย่างนี้นย่องเข้าใจความฉลาดความฉลาดในทางโลกอย่างนี้นก็สามารถศึกษาโรงเรียนให้จบตามจุดประสงค์แล้วก็เข้าใจในงาน ทำงานการเข้าใจในงานเฉลาดในการทำงานเฉลาดในการรู้จักวิธีอรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักยอมรับสภาวะต่างๆความเฉลาดเอาไปใช้ในทางโลกก็ย่อทําให้กิจการทางโลกก็จเจริญรุ่งเรืองออยู่กับหมกับเพื่อนอยู่กับอการกับงานก็ทําให้การงานเพื่อนฝูงแะ สิ่งที่อยู่นั่นทําให้เกิดความจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเพราะจิตเป็นกุศลฉลาดในการทําการพูดการคิดอันนี้ฉลาดทางโลกอย่างที่พวกเราอยู่นี่นะมีฐานะมีความเป็นอยู่มีเงินเดือนมีรายได้มีบ้านมีช่องมีเครื่องบริโภคอุปโภคเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างนี้นะมาจากเิตที่ฉลาดอุตสาหะวิริยะการทาบำําเพ็ญ ไปตามฐานะอ่าเราก็จะเห็นเราก็จะเข้าใจจนคนที่เป็นอกุศลนั้นอคือไม่ฉลาดของจิตจิตที่ไม่ฉลาดนั้นอ่ย่อมทําอะไราทุนทุนดอกไม่เจริญทำท ำ, ทำ ห, หยุดหยุดแล้วก็ไม่ตามงานของตัวเองที่ทําทําแล้วก็ทิ้งทำแล้วก็ทิ้ ง, งะ งานแต่กับไปททำในสิ่งที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียในชื่อเสียงตัวเองและส่วนรวม อ, อย่างที่เรารู้เราเห็นกันคนที่ไม่มีศีลคนชอบอโมโหโษโซ ว, วาไล่ป้ายสีผู้อื่นโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักเล็กขโมยน้อย ประพืชผิดสามีของผู้อื่นทั้งๆที่รู้ว่าเขามีภรรยาอยู่มันก็อดรนทนไม่ได้ อ, อส่วนผู้ชายก็รู้จักว่าเขามีสามีอยู่ก็อดรนทนไม่ได้อก็ทําให้สินเช่ามองของุนมัว้าวุ่นในครอบครัวได้จิตใจอย่างเนี้ยมาจากความไม่ฉลาดของจิต อ, อถูกกลาคะกิเลสตัณหาครอบงำก็ ไม่มีปัญญาแสงสว่างที่จะขับไล่สายส่งอืมจิตที่มันไม่ฉลาดนั่นออกไปฝึกฝึกความไม่ฉลาดมันมากกว่าฝึกความฉลาดคืนของความฉลาดเป็นคืนที่ใสสว่างคืนของความไม่ฉลาดเป็นคืนที่เศร้าหมองและขุ่นมัวเวาหมุนเข้ามาทั้งตาทั้งหงเรามันก็ามาบางังจิตเข้าใจว่าอ่การทําอย่างนี้มันดี บางครั้งรู้ว่าวิบัติดีแต่ก็ทนดอกกิเลสตัณหาบังคับไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นความไม่สลอาดมันห่มมาแล้วมันหลงลืมครอบครัวหลงลืมพ่อแม่ลูกหลานตัวเองไปทําผิดจริงซะอย่างนี้น่ะข้อหนึ่งข้อต่างข้อสก็ต่างข้อสามข้ตพอผิดจริงข้อสามแล้วข้อสี่ก็ติดตามมาเอง อ่าพ่อสี่ปตามมาแล้วก็มองหาทางออกเพื่อจะให้ะระได้ความสงบสบายก็เข้าไปอัดื่มอีกเืมเพิ่มเติมเข้าไปอีกอย่างนี้เนะีะเนี่ยสายของอกุศลกิจกิจที่ไม่ฉลาดผลมันก็ไดลรับความไม่สงบในชีวิตตัวเองแล้วครอบครัวเข้าไปในวงการวงงานแทนที่ใดเขาทำให้ที่นั่นไม่เจริญไม่จะเสื่อม เนี่ยมันก็บุคคลประเภทนี้มันเหมือนกับยายาอยู่ในแปลงผักหรือยอยู่ในสถานที่ใดก็ตามไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยมันมันขึ้นมาเร็วแล้วก็ยาวสูงกว่าพืชผลที่จะที่เป็นประโยชน์มันเกิดขึ้นมาเองของมันในพื้นดินน่ะ กิจ ใ, ใจเป็นธรรมชาติรู้แต่เมื่อไปสัมพยสัยวณากับสิ่งที่ไม่ค่อยดีบ่อยๆไปครบคนไม่ดีไปไปเสพสิ่งที่ไม่ดีทําอยู่เรื่อยๆทําอยู่บ่อยๆเมื่อเกิดกายเป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้ทําไปเรื่อยๆร่ยงกายเป็นคนกล้าวุ่นคุนมัวทุกข์ยากใครสังเกตดูีิตามพุกตามตารางมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายหน้าตาดีๆก็มีเยอะฐานะดีๆก็มีเยอะเออ มันไม่ใชแ่แต่คนธรรมดาคนที่เรียนทุงสูงก็มีเยอะอยู่ในคุกอยู่ในตารางเต็มไปหมดนะแต่เข้าใจว่าตัวเองฉลาดแต่ความจริงมันไม่ฉลาดจากนี่แหละ <c oughs> อากุศลก็อกุศลทำ ม, มันเป็นธรรมชาติที่จะให้ผลตมมามาการทาและพูดและคิดมันให้ผลในลักษณะลบลบความดีออกแล้วก็บวกความชั่วขึ้นไปเรื่อย อย่างเนี้ยอักษณะของกับกุศลกิตให้นั่นพวกเราสาวตุศนที่มีกิตศรัทธาเคารพเริ่มใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมสังคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะก็เป็นกิจที่ฉลาดกิจที่มีความเคารพและอ่อนน้อมทำตนว่า ง, ง่ายสอนง่ายว่า ง, ง่ายคือสี่เลนสุกติยันติอพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ทรงสั่งสอนไว้ยอย่างเนี้ยผู้มีศีลท่านจึงมีความสุข เราฟังให้ น, นี่เราก็เข้าใจแล้วเราไปเห็นคนที่เดื อ, อดร้อนวุ่นวายก็ตรวจ ด, ดูเขาปิดสินข้อนั้นข้อนี้เราก็เชื่อมั่นเลยคนที่เดื อ, อดร้อนวุ่นวายเพื่อนของเราเป็นทุกมีเรื่องราวอย่างนั้นอย่างนี้เ อ, อเราก็เห็นแล้วเขาไม่มีสินอาจจะพูดหลอกลวงกันโกหกกันไม่มีสินทางวาจาอ อ, อย่างนี้นะตรวจดูห้าข้อไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งและคนที่เดื อ, อดร้อนวุ่นวายนะ ต้องผิดสินแน่นอนอย่างนี้เราก็ยิ่งทำให้เราศรัทธามั่นคงในพุทธศาสนายิ่งขึ้นเรานี่อยู่ปกติดีงามเพราะเราตรวจ ด, ดูเราเราก็ข้อหนึ 2, 3, 4, ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ตลอดจนข้อห้าเราบริสุทธิ์สมบูรณ์อย่างนี้เราก็เชื่อมัน่นว่าเราอยู่เย็นเป็นสุขทุกวันนี่เพราะ สินรักษาเราเรารักษาสินมาสินก็ตามรักษาเราให้อยู่อย่างเป็นสุขเรื่องวัชิเลนะสุขติงยันติมีศินเรามีความสุขชนิดวีชเลนะโพคะเรามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็เพราเรามีศินเรารู้จักทําการทํางานมีรายได้มาเรารู้จักใช้เรารู้จักเก็บมาเรารู้จักทําบุญตรงนี้ทํามาแล้วก็รู้จักรักษารู้จักเก็บรู้จักทําบุญอย่างนี้ เราก็อยู่เราก็มีเงินมีทองใช่สะดวกสบายมันต้องไปเป็นหนี้เป็นสินเขาเก็บปีไรายได้ก็เก็บเหลือทุกเดือนทุกปีถ้าติดลบทุกเดือนทุกปีเยก็ขาดทุนสูญดอกบางทีเราก็คิดว่าเรามีสินแต่เราไม่ได้รู้ความปกป้องทําไมเราต้องมีหนี้เยอะขนาดนี้มันต้องมีที่รั่วไม่รั่วรูเล็กรูใหญ่เราไม่ตามอุดช่องที่มันรั่วอาจจะฟุง้งเฟอ้อเหือม่อา จ, จะ ปล่อยให้มันทะลุ ป, ปลูโป่งรล้วนไหลไปสิ่งที่ไร้สาระพวกเียอะแยะมันละกลายเป็นนี่เป็นสินอ่าทํางานมากี่ปีสิบปียี่สิบปีสา ส, ป, สปีก็ยังนี่ยังมากอยู่อะไรจะไปโทษใครไม่ได้เพราะกรรมเป็นของของต น, นกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมเป็นเดนเกิดกรรมเป็นผู้ติดตามกายกรรมวิญญา ก, กรรมมโนกรรมของเราเนี่แหละเป็นผู้ทํามากเราเป็นผู้ทํามามันก็จึงได้รับผลจึงแตกต่างกันไปอืม กรรมในจำเนีกแตกต่างกันเพราะการกระทําของกายประจัยใจฉะนั้นพวกเราก็ตรวจ ด, ดูพิจารณาดูภาวนาดูแต่าาจของเราสบายไหมขณะนี้เป็นเวลานี้ขณะ น, นี้นั่งหลับตาดูมันสบายเป็นยังไงมันสงบงับอ่าสบายรู้ตัวนิ่งอยู่นิ่งก็แปลว่าพร า, พราะรู้มีอยู่พุโทโธมันอยู่ข้างในรู้อยู่ รู้อยู่ก็สมารถที่จะวางเฉยได้เฉยในสิ่งทั้งหลายเพราะอะไรจึงเฉยเพราะสิ่งทั้งหลายก็เป็นของอ่าผ่านไปหมดจะเป็นตาเห็นหูได้ยินอ่าตาเห็นเห็นแล้วมันก็แล้วไปหูได้ยินยินแล้วมันก็แล้วไปจมูกได้กลิ่นกระทบแล่มันก็เล้วไปลื่นกระทบรสก็ผ่านไปกายถ้สัมผัสมันก็ผ่านไปใจได้กระทบอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายมันก็ผ่านไปมีแต่ของกระทบแล้วก็ผ่านไปผ่านไปมีแต่สิ่งที่ผ่านไปทั้งหมดธรรมชาติ มันไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้แน่นอนกีรังยั่งยืนอะไรอันนี้เป็นเรื่องของจิตที่ยอมรับสภาวะที่มันเป็นจริงอย่างนี้อย่างตากับรูปหูกับเสียงจมกับกลิ่นเล่ น, ลนกับรูดกายกับสัมผัสเกลร้อนอ่อนแข็งใจมัน ก, นกระทบอารมณ์เรียกว่าธรรมอารมณ์ตอนนี้เราล่างนั่งหลับตายแล้วก็จะเห็นธรรมอารมณ์มากระทบจิต แล้วก็รู้ไม่ยอมให้ทำอารมณ์ต่างๆมาปุ่งจิดลอกจิตให้วิ่งไป เ, เรากําหนดรู้ว่าเออสัญญานี่เกิดขึ้นกระรือเรสัญญานี่ดับไปสัญญาใหม่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สัญญากระดับไปความคิดความจําเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผู้รู้นิ่งอยู่อันนี้คำ ว, ว่าผู้รู้คือรู้เท่ารู้เท่าทำอารมณ์ที่มากระทบจิตนั่นผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติ ลงลงลงในขณะนี้เวลานี้เราอย่าไปเลึกถึงเมื่อวานนี้อาทิตย์ที่แล้วปีที่แล้วเลือเราไปเลือกอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าเอาต้องเลึกลงในขณะเราปัจจุบันเต่ปัจจุบันขณะเราปฏิบัติอยู่นี่ขณะนี้เวลานี้กิเลสมันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นขณะนี้ควา ม, า, <c oughs> ามฉันทะกามฉันทะเกิดขึ้นขณะนี้พยาบาทเกิดขึ้นขณะนี้ ที่น้าไม่ใชความห่วงเหงาห้านอนมันจะเกิดขึ้นในขณะนี้กูกระจากความฟุ้งซ่านลำคาญถ้ามันจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในขณะ น, นี้ความลังเล ส, สงสัยในธรรมะมันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นในขณะ น, นี้แต่นี่เราก็ต้องรู้เท่าในขณะนี้ขณะนี้คือขณะที่เรากําลังฟังธรรมขณะที่เรากำลังปฏิบัตินี่แหละทีใรที่มันล่วงแล้วมันก็ หมดแล้วเอาดับไปแล้วมันไปนแก้ไขตามแก้ไขไม่ได้สิ่งที่ยังไม่ถึงข้างหน้าเราเนี่ยมันก็ยังไม่มีสิ่งที่มีอยู่ก็คือขณะนี้เวลานี้อ่ถ้าเรารู่ตัวอยู่ขณะนี้เวลานี้อ่มันก็ไม่หลงกาอานิบอลฮามันเข้ามาเราก็ไม่หลงเราไม่หลงคือเราสามารถที่จะอ ตั้งมั่นในผู้รู้ในสติในสมสถัญญาของเราลงในปัจจุบันได้นิ่งอยู่รู้อยู่แล้วก็เฉยปล่อยวางปล่อยวางได้ในในทุกอารมณ์ที่มันเข้ามานั่นแหละเรียก ว, ว่าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นในธรร ม, มในสมาธิธรรมส่วนปัญญาธรรมน้ก่ก็พิจารณาส่วนที่เราอาศัยอยู่นี่นะ อัตภาพร่างกายที่เรา อ, อาศัยอยู่นีนะ่เราอยู่ไปนานไปมันไม่ใช่มันจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยเราอยู่ไปนานไปมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยมันแก้ไขไม่ได้ส่วนสิ่เป็นรูปธรรมอาการซาร์สสองมันจะเสื่อมไปสิ้นไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีอเราจะเจริญได้ก็คือสติกับปัญญาของเรา เราจะไปแก้ไขมไม่ให้แก่มไม่ให้เก็บไม่ให้ตายม่ให้เป็นโรคเันไข้ไม่แก้ไม่ได้อก้อนร่างกายนี้เต็มไปด้วยสภาวะสภาวะที่เสือสเส่อมไปสิ้นไปพอเสื่อมไปสิ้นไปโรคภัยก็ลุมเข้ามาในจุดต่างๆเรานั้นแล้วอยู่ไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีข้างหน้าไปแล้วเนี้ยสั้นเข้ายาวข้างหลังแต่สั้นข้างหน้าอสั้นไก ขยะก็ไปขยะวิยะวัยของเราขยะก็ไปนะความชราความข้ามค่าสมรุส้สมรู้ไปตามจุดต่างๆกระอดาหูจมูกเล่นกายอาวัยวะส่วนเนื้อหนังมังสังตาทุกส่วนมันจะเสื่อมไปสิ้นไปว่างๆเราก็หัดคิดถ้าจิตไม่สงบเราก็หัดคิดมาถึงเรื่องเหล่านี้ถึงจะเป็นอนาคตแต่ก็อนาคตที่มันจะต้องเป็นอย่างนี้ แล้วก็ไม่เลือกชาติชันวรณะไม่เลือกอ <c oughs> ผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเพศไหนภูมิไหนอ่มันจะต้องเป็นอย่างนี้สุดท้ายก็คือจะต้องอเกี่ยวยาไม่ไหวแล้วก็ต้องแตกดับและก่อนที่รูปธรรมของเราจะแตกดับนั่นแหะเราก็ต้องเสริมนมามธรรมให้มันสมบูรณ์ด้วยสติธรรมสมาธิธรรมวิญญาณธรรมศึกษาให้มันเข้าใจแจม่มแจ้งชัดเนจนอยากให้มันมี อุปทานในถาดในขันนี้อ่ทุกทั้งหลายมันมาจากสั้างกิเลสนะบัรจุปุปทานนะขันธาทุกขารวมมาสั้นๆแล้วคืออุปทานขันห้านี่อโอะความอุปทานของมเล็ดมั่นว่ารูปเป็นเราเป็นของเราของของเราเวทนาเป็นเราของเราของของเราชั้นยาเป็นเราเป็นของเราของของเราสั้นขันเป็นเราเป็นของเราของของเราวิญญาณเป็นเราเป็นของเราของของเรา รูปเวทนสัญญาสังขารเป็ญยาเนี่ยเป็นของเราถ้าเป็นของเราแล้วถ้าเขาเมื่อก็อมันจะเป็นนู่นเป็นนี่ก็ยึดไม่อยากให้มันเป็นเวลาแก่ไม่อยากให้มันแก่เวลาเจ็บไม่อยากให้มันเจ็บเวลาตายไม่อยากให้มันตายความรู้ความเป็นนี่มันก็ขัดต่อสภาวะที่มันเป็นก็เรียกว่ามันก็ไม่กิจก็ไม่ฉลาดไม่ยอมรับสภาวะมันก็เลยเป็นทุกข์แล้วไม่ใช่แต่ตัวเอง แล้วผู้ที่เกี่ยวข้องของเราก็คือลูกหลานญาติพี่น้องพ่อแม่เพือพ่อนฝูงอะไรที่แก่แล้วเก็บแล้วตายไปก็ไปทุบไปตามกันเอพอไปยึดถือว่าเราเป็นของเราเป็นของเราเอา่อย่างนี้นะฉะนั้นปัญญาสมาธิเราต้องกาจัดอความเห็นตัวนี้ให้มันออกจากติดเราให้ได้หเห็นว่ารูปนี่เป็นของอาศัยได้มาจากธาตุดินธาตุน้ํำธาตุาลมธาตุไฟ ตั้งแต่เรายังไม่เกิดต้นมันก็มันก็มีอยู่อย่างนี้ดินน้ำลมไฟเราเกิดขึ้นมาแรกๆเหมือนกันเนี่ยอร่างกายตัวเล็กๆจากนั้นมาเราก็ลังลุ้มด้วยน้ำด้วยข้าวด้วยโภชนาอาหารมาทุกวันทุกเดือนทุกปีจนถึงทุกวันนี้เขาได้มาจากดินจากน้ําจากลมจากไฟเราจะไปโลบเอาดินน้าลมไฟของที่มันมีอยู่ในโลกนี่มันมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เราก็ต้องยอมรับเป็นของอาศัยถาดทั้งสี่เป็นของอาศัยถึงวัยชราค้างค่าแล้วก็ต้องคืนคืนสู่สภาวะเดิมยืมเข้ามาใช้อย่างนี้ต้องทําความรู้ความเห็นอย่างนี้ให้มันชัดเจนลงไปเราจะได้ไม่โศกาอดุลพี่หลายล่างข้องควรเวลาเราเป็นโรคเป็นภัยหรือว่าญาติพี่น้องล้มหายใจเกิดอุบิเหต์เกิดอะไรขึ้นมาเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่อะไรก็แล้วแต่ ถ้าได้ข่าว่าเขาตายถูกเอกเสด็จตายถือเป็นโรคมะเร็งถูกเป็นโรคอะไรตายกับท่านนั้นเพนื่อนกัชท่านคิดเข้ามาเรารูบป้อมันนี้ปัญญาที่เราได้พิจารณาแล้วนะในธาตุในขันทั้งหลายมันเป็นของจะต้องตายอยู่ได้วันใดวันหนึ่งถ้าตายวันนี้มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะต้องตายมันสิ่งที่มันแก้ไขไม่ได้กับจิตทั้งเราก็รูบเท้งรูบทันลูบกันไม่ให้เศร้าโศกโศกอาดุลได้ทัน ต้องอาศัยพิจารณาอยู่บ่อยทําแล้วทํำอีกทงแล้วทำอีกเรื่องความแก่ความแก่ความตายเรื่องโรคเรื่องภัยเรื่องชีวิตสังขารเป็นที่อยู่ของโลกของภัยต่างๆโลกตากโลกของโลกแกมหูโลกภายนอกโลกภายในมีแต่โรคไล่ดูทีแต่ละวันแต่ละวันนะมีแต่ภา ร, ระที่จะต้องเยียวยารักษาอัตภาพร่างกายหนึ่งแคตื่นขึ้นมาไม่ว่าโย่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเป็นภาระ Class อันเก่งใหญ่ที่จะต้องรับผิดชอบ ของสังขารร่างกายนี่รับผิดชอบดูแลรักษาดีข น, นาดไหนเขาก็ไม่รับรู้ว่าเราเออดูแลดีเขาก็ไม่หน้าที่ของเขาก็คือเสื่อมไปสิ้นไปตลอดเวล า, าไม่เคยได้สนใจกับจิตใจที่ดูแลรักษาเอากินเอาจลิงกุปตธรรมคําคจุนอย่างดีเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็มีแต่จะไล่ไปสู่ความแก่ความเจ็บแล้วความตายอ่าที่ไลเข้าไลออ ก, กทุกวันก็นมีแต่ของธาตุปาฏิกูลของ อาหารต่างๆก็ได้มาจากเนื้อปูเนื้อปลาเนื้อเป็ดเนื้อไก่ไหลก็ไปก็ออกมากขาต้องํ า, าระสะอาดล้างให้สะอาดทุกวันทุกเวลาอย่างนี้นะฮัดพิจนาพวกนี้พิจนาแล้วพิจาณาอีกคิดแล้วคิดอีกเรียกว่าเจริญให้มา ก, ท ำ, มากทำให้ยิ่งเรื่องอกา ร, รวิปัสสนาการทําให้แก่งใ น, ใ น, ใ, นในเรื่องของธรรมะเนี่ยถ้าเราทำทำแล้วหยุดทำแล้วหยุดแล้วกิเลสมันก็ที่มันหลอกลวงจิตเรามากี่กับกี่ยวกันเกี่พบกี่ชาติ กลอกลวงให้หลงในธาตุในขันเะนี่ยหลงว่าเราเป็นของเราของของเราอย่างเนี้ยมันก็ห่อหุ้มเร า, เ, าเราทําแค่เดียวเพราเดียวสว่างสวายขึ้นมาแล้วก็หยุดแล้วก็หุ้มเข้ามาอีก เ, อเราก็ทําแล้วทํำอีกทำแล้วทำอีกไม่ใช่เราจะอ้างว่าเรามีงานทำํเเเทำร เ, เราทำงานทําแล้วก็เราทําตรงไหนเวลาเราทํางานเราก็ไม่สติของเราอยู่นะั่นเนี่ย เ, เวลาเราจะพูดเราก็ไม่สติพูดเรื่องอะไร เวลาเราจคิดก็คิดเรื่องอะไรเวลาจะจะทําทําเรื่องอะไรเป็นบุญหรือเป็นแบบเป็นธรรมะหรือเป็นกระแ ส, สของธรรมกระแสของโลกเขาต้องให้รู้เท่ารู้ทันตลอดเวลา อ, อตอนนี้มีมีกิเลสตัวไหนจะเข้ามาครอบงำจิตเราก็ให้รู้ครอบมาจิตแล้วก็ต้องสกัดขั้นหรือกําจัดปัดเป่าออกไปอความโลภเข้ามาก็รู้ความโกรธเข้ามาก็รู้ความไม่โลภ น, นั่งอยู่ตรงไหนเกิดขึ้น นั่งนนตรงไหนนอนตรงไหนอยู่กับใครรู้ว่าจิตมันมีความโลภของรู้จิตจะมีความโลภเกิดขึ้ น, นของรู้จิตมีความโกรธขัดเคือนมุ่งมีตเกิดขึ้นของรูจิตด้วยมีความโกรธขัดเคืองเกิดขึ้นของรู้ทรงผู้รู้ไนะว้ตลอเวลามันจะหลงไปไหนมันจะหลงไปไหนไม่ได้หลงพอมันขาดสติกับปัญญาและผู้รู้ผู้รู้เนี่ยต้อง ส่งไหวทุกวันทุกเวลาไม่แม้แต่หลับตื่นขึ้นมาก้าวขาไปเพื่อปลุกทันทีก้าวขาสึงพื่นปับ๊บลูกเลยามีสติเลยก้าวซ้ายก้าวขวาเข้าห้าองน้ําล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอาบทา้าแต่งชุดไปทํางานให้ลูกตัวจับเสื้อผ้าเมาก็กลุกตัวจับเสื้อผ้านุ่งชุดไหนทําอะไรกิริยาของกายต้องมีสติ่ตลูกอยู่ของกายการเคลื่อนไวหวการทํางานเวลาเราจะพูดกับคนก็ลูก พูดเรื่องอะไรเป็นประโยอน์ยังไงหรือไม่เป็นประโยชน์ยังไงถ้าอยู่คนเดียวเราจะคิดคิดเรื่องอะไรคิดเพราะความโลภหรือมาคิดเพราะความโกรธคิดเพราะความไม่โลภหรือคิดเพราะความไม่โกรธก็ให้ตามรู้อยู่อย่างงั้นเพราะจิตเป็นสิ่งที่ฝึกได้จิตเป็นสิ่งที่สภาวะที่ฝึกฝึกได้แก้ไขได้ไม่เหมือนร่างกายร่างกายนี่เพียงแต่ดูแลรักษาแต่แก้ไขให้มันไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ จิตนี่ฝึกจนบรรลุธรรมแล้วก็คือแบบไม่ตายอมตะังเป็นอมตะตังอมตะจิตไม่ตายพระนพุทธลูกลูกอยู่ตลอดวันเวลานาทนีพุ้โทนี่ถ้าเข้าถึงแล้วก็เป็นพุโทโธอยู่ตลอดเวลาเป็นอมตะไม่ตายไม่เหมือนอ่าไรร่างกายเกิดมากิจกรรมกิจ ก, การเก็บพวกกิจ ช, ชาก็เกิดมาตายทั้งนั้นเกิดมาตายเกิดมาทิ้งอะไรมากะ ทอต้งทอ ด, ท, อดทิ้งทั้งหมดเนร่างกายอสัมภารร่างกายเป็นธาตุแล้วก็ฮะทรัพย์ ส, สมบัติก็เป็นธาตุนำมาเยียวยาธาตุทรัพย์สมบัติข้าว ข, ของเงินทองเป็นธาตุดินเรามาเยียวยาร่างกายแต่ธาตุดินธาตุน้ า, นานเป็นห uh, อ่าเยียวยากึ้นไปเยียวยากึ้นมาก็แต่ดับหาใหม่เยียวยากันใหม่ก็แต่ดับช้บสำสัส้นสักซากย่างจี๊บกับใจจันนับไปนับไปวนถ้าเยายังไม่พี่กินาเห็นสภาวะเออเรามา เข้ามาอาศัยก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันให้มันเกิดตลอดสังเวชใจหน้าเบื่อน่ายซ้ำๆซักๆเข้ามาอยู่ในร่างกายเนี่ยมันเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรายังไม่เจ็บไม่ลาบเราก็กลับมาเกิดดีกับทุกเอีตตาเอตแล้วเกิดมาใหม่กับทุกเอีกจ่การปการกี่เพราะปชาข้างหน้าเนี่ยเราก็ยังไม่รู้แต่ถ้าตามในที่เราเห็นว่า ที่มันโง่มันเข้ามาอาศัยก้อนอสุภะอสุพังก้อนอันนิจังทุกครังหน้าตานี่แต่เมื่อพิจานาไปให้มันรู้มันเห็นแล้วเข้าใจตลอดทึ้งอสุภะความไม่สวยงามที่มันไหลออกมาตลอดทึ้งอันนิจังความไม่กีรังยั่งยืนหน้าตาบอกไม่ได้ไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บไม่ให้ปวยมันก็ป่วยไม่แก่มันก็แก่อย่างนี้นะมันบอกไม่ได้ทุกอย่างเขามีหน้าที่ยังไงเขาไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้น ให้เห็นอย่างนี้ให้ลูกอย่างนี้หเห็นอย่างนี้นักปฏิบัติทั้งหลายมันจึงจะคลายความไข้ความกำหนัดความบินดีมันทําให้วัตจากรสสั้นลงมาสั้นลงสั้นลงจน ส, สิ้นสุดในชาตนี้ก็ได้เห็นและสำรดจทางเวทใจไม่อยากกล่าวเข้ามาเกิดดีกับระบากสร้างความระบากให้ผู้ผู้ให้เกิดผู้ให้กําหนดอเข้ามาเกิดเข้ามาอยู่ในขันวันดามาหนาก็ต้องรับภาระผิดชอบ กีวันกี่เดือนกี่ปีค้อมาแรกก็ต้องรับผิดชอบส่งเสียเล่าเรียนเผื่อจะจบเผื่อจะได้การใช้งานทําเป็นภาระของพ่อของแม่มากมายกลายกองทลายลงทุนเสียเงินเสียทองให้ศึกษาเล่าเรียนเออย่างนี้นะพิจนาเห็นทุกจุดเลยไม่จริงจะสลดสังเวชในการเกิดสงสาพระพุทธเจ้าสงสารเลยในธรรมาจักรกับประวัติศาสตร์ชาติพีชทุกขาการเกิดมาไมเป็นทุกข์เลย ชลาเปียทุกขาของชะลามันเก็บขึ้นการชลากับเป็นทุกข์เมื่อเาปิยทุกขังก่อนจะตายก็หายใจไม่เข้ามันกระทุกหายใจไม่ออกมันกระทุกะคนเราลองกั้นใจลองดูสิการใจไม่ให้ลงออกมันทุกข์ขนาดไหนทุกข์จนตายออกไปแล้วไม่ให้เข้าก็ตายในละคนเรามันจะตายกันอยู่ตรงนั้นแหละมันปพยายามมาจนล่ากันไป ปิดหลอดลมลงลงําคอแล้วนะ่ะเขาไปจับหลอดลมตรงนั้นไว้พยาเมเาจอร่าจับหลอดลมไว้ลมเข้าไปก็เข้าไม่ได้มันจะออกมาออกไม่ได้ก็สุดท้ายก็ต้องตายแต่เมเจอร่าคือความตายเขาเวลาเขาอยามาเอาคนตายคนหนึ่งเขาก็ไปจับหลอดลมนั่นแหละออกไม่ได้ออกไม่ได้ก็ตายติ่งหมดที่นี่หมดอสัปนั่นก่อนที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่ ให้เราควรพิจารณาให้มากเลยิ่งเรื่องธรรมะามันอยู่ในตัวของเราหนังสือทุกเล่มนั้นตำราทุกเล่มไปอ่านดูเลยไม่ได้พูดถึงเรื่องธาตุสี่กันห้าไม่รูดเรื่องอาจีพะไม่มีไม่ได้พูดถึงเรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องทีกายเรื่องใจเรื่องรูปเวทนาสัญญาทั้งขาทั้ญยันพูดเรื่องอนนีจังทุกอั่านั้นตาพูดเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญาไม่มีแต่ละเล่มนั้นจะพูดในเรื่องนี้แหละแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ออกจากกายทั้งหมด ออกจากกายออกจากวาจะตอบใจทีนี่ก้อนธรรมของเราเราเดินไปเดินมาไม่ใชก้อนธรรมะแต่มันมันจิตไม่ได้น้องเข้ามาไม่ได้ฝึกในการน้องเข้ามาบ่อยๆมีจะส่งออกไปหาการหางานหาเงินหาทองหาโลกหาล้านอ่าหาทรัพย์สมบัติเข้าของก็ร้องวันวันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงสังเกตดูเลยไม่จะส่งออกไปข้างนอกทั้งหมดอวุ่นอยู่แต่เรื่องนอกการที่จะน่องเข้ามาหากายหาใจ น้อยนักน้อยหนาสําหรับผู้ที่จะมีบารมีแก่ก้าเท่านั้นแหละทึงดียมีโอกาสได้น้องเข้ามาเห็นอันที่จริงทุกครั้งอาณาจัเห็นอัศพาอัศพังเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตทั้งธรรมชาติของโลกภัยธรรมชาติก็อทุกวันนี่มันก็ลุกลามเข้ามาแตกต่างมากขึ้นเรื่อทุกวันเป็นทุกข์ภัยอัคีภัยวาตาภัยโจละภัยอโลกภัยพวกนี้มันลุกลามเข้ามาทุกวันทุกเวลาทุกนาที ไม่ใช่แต่ประเทศไทยประเทศต่างๆก็ เ, เป็นอยู่อย่างนี้ยอ่ารับต้นแบบเข้าขอเงินทองที่สร้างมาก็ถูกภัยทั้งหลายทําลายหมด อ, อย่างนี้ก็มีหลายอย่างพวกเราเนียังยั ง, ยงดีอยู่บ้างไม่มี อ, อทุทกภัยมาทําลายทรัพย์สมบัติมีวาตะไพรากีภัยมาทําลายอันนี้ทํำลายก็อาจจะชั่วระยะมันก็ไม่เสียหายเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ที่เป็นมาแล่นั่นนะ นั่นแหละเขาก็อาศัยสิ่งที่ไม่แน่น อ, อนเมื่อกี้ลังยั่งเย็นแต่เขาก็หลงหอยู่นั่นแหละอสร้างขาใหม่อีกออาศัยใหม่ถูกทําลายอีกอซสส้าๆๆเพราะไม่ได้ได้ยินได้ฟังพระธรรมธรรสั่งสอนของพุทธเจ้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอเรเลียสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านที่แกงแสดงบอกเราต้องเหลือน้อยแล้วอายุของเราข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้ อยู่ได้ไปได้นานเท่าไ ห, หร่หรอกสิละเบื้องหลังลก็อาจจะยาวมา20 30 40 50, 50 60 70ปีข้างหน้าก็เหลือสัก10ปี20ปีข้างหน้าจะเหลือถึงหรือเปล่าไม่รู้เอ่นี่แหละช่วงที่เราเหลือยาจะพิจารณาให้มากทําให้มากเริญให้ยิยง่งเรื่องสติแลสมาธิปัญญาวิชาต่างๆเลยวิปัสสนาทั้งหลายพิจารณาให้มันเข้าใจแจ็บแจ้งชัดเจนในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเนี่ยมีความเคารพต่อ กัพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เคารพจากครูบาอาจารย์เคารพจากธรรมะ่ล้วก็เป็นผู้สันโดษสันทุตีผู้สันโดษเป็นอย่าเป็นผู้มากมากในเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องบริรโภคอุปโภคมากมากก็ยากเยอะแยะมากมากยโดยเฉพาะเครื่องใช้ไม่สอยเครื่องนุ่หงห่มเครื่องอาศัยต่างๆมากทำรักมากกัเป็นภาร ะ, ะมากยุ่งยากลกจกปอกลกลุงลังในบ้านในซ่องที่อยู่อาศัย เราให้สันโดษท่มากน้อยให้พอดีพอประมาณรู้จักมันง่ายมันสะดวกอ่าสันตุถีปรามังถนังก็ไม่ทับอย่างยิ่งผู้รู้จักประมาณตัวเอง่มันก็ไม่มีภาระมากมายกายกองก็นั่นแหละมีความเคารพแล้วกลับเป็นผู้ไม่จองหองเป้ผู้สันโดษมากน้อยยินดีในที่สงัดพะลบความเพียรพิจารณาธาตุขันอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีนี่แหละนําวันนี้ได้องธรรมะ ามาที่แจงแสดงบอกอเกี่ยวกับเรื่องความเคารพคารวะไม่จงหองเกี่ยวกับเรื่องความสันโดษมากน้อยให้รู้จักพอดีพอประมาณาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ทุกวันนี้ไม่จาเป็นจะต้องเป็นซื้อใหม่ก็ได้อยู่จนวันหมดลมก็ยังใช้ไม่หมดอพอแล้วเอาม า, าทำประโยชน์ทงางจิตใจของเรา มีทรัพย์สมบัติแล้วก็ไปทำประโยชน์จตใจของเราจะทำยังไงสล่าเสลาเพื่อปราบความตณีความยึดยึดในวัตถุเนี่ยมันเป็นตัวดูดดึงดูดให้จิตมันไปติดไว้วัตถุเข้าของเงินทองเนี่ย ม, มันมัดจิตเะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เสียสละ เ, เสียสละบริจาคไปทําประโยชน์ให้เกิดความสุขแก่ผู้อื่นอย่างเนี้ย อะไรที่จะให้เกิดความสุขแก่ผู้อื่นและส่วนรวมนะั่นถ้าเรามีเยอะเราก็เสียสละบริจาคไปจ้าโคปาตินิสโกก็ปล่อยวางอันไหนที่ควรปล่อยวางได้เราก็ปล่อยวางเราจะมีเวลาเราไปปฏิบัติธรรมในวัดไหนวา่าแล้วก็ปล่อยวางบ้างงานการ เ, าเครื่องใช้บ่าน่องห้องหอเรานะ่น ในคำว่าบ้างทำวันทำเวลาทำโอกาสอำหน่วยปฏินิจสโกก็ปล่อยวางบ้างมุติให้มันหลุดพ้นออกไปสิงที่เครื่องผูกเครื่องมัดของเราอะไรแหะมัดของเราชีวิตครอบครัวการงานเงนิงนทองเข้าของสมบัติพวกที่แหละมันจะเครื่องผูกเครื่องมัดลัดลึงจิตใจให้ถงเงียห่วงให้ห่วงไว้เราก็ฝึกหัดเชื้อสละฝึกหัดปล่อยวางบ้างให้มันพ้นไปบ้างเป็นอาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสองวันสวันถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่ได้ต้องฝึก ไปอยู่วัดว่างื่อในที่สงบสงัดปล่อยวางจิตไม่ให้มันกังวลวุ่นวายในทรัพย์สมบัติเข้าขอเงินทองครอบครัวพี่น้องลูกหลานผัวเมียอะไรพวกนี้นะปะเด็นของมุติมันจริงจะมีโอกาสหลุดพ้นได้ในองค์ของนิโรธความดับทุกข์มันจะมีจ้าโคเสียสระปาชิตจากรโลปล่อยวางมุติก็หลุดพ้นไะอนาลโยไม่องไปผัวพันจิตไม่ผัวพันใน ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเก็เป็นระยะหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งมันก็ดีมันเป็นนิสยัยเป็นเวทใจให้เจริญครั้งหน้าต่อไปนั่นแหละวันนี้ก็สี่แกลงแสดงบอกมาก็เห็นว่าสมควรที่จะละเวลาหวังว่าท่านทั้งหลายจะมตั้งอยู่ในข้อไม่ประมาทและเมื่อท่านทั้งหลายปตั้งอยู่ในข้อไม่ประมาทต้งพู้มีสติไม่มีสมาธิมีปัญญามีวิชาในการรักษาตัวลอดมาจากความเชื่อเชื่ อ, อต่างๆนานา น, า น, นั่นแหละ เรารักษาตัวรอดจากบาปจากกรรมได้ก็ถือว่ามีพูดเป็นคนมีบุญมีกุศลบุญกุศลก็จะทำคุม้มครองรักษาให้มีความสุขความเจริญในศิลในธรรมในสติปัญญานำมาขึ้นความสุขในปัจจุบันและเรื่องหน้าดังใด้ี้แกงแสดงมาก็เห็นว่าสมควรอิจาระเวลาก็เอวังก็มีด้วยพระการะเชนิปาทู